ก็เลยเราจะต้องทำอะไรที่เห็นเฉพาะหน้าเป็นเรื่องชัดๆไปไม่ใช่มั่อาไปวันๆอย่างที่เขาใช้ชีวิตกันมา เ, าเสียเวลามานานแล้วไม่เอาเลยคือในเรื่องของชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่ามันมาด้วยผลผลของความทุกข์ทุกของบัรพบพระบุตรของเรา เมื่อท่านทุกท่านอยู่ไม่ได้ท่านก็ต้องสร้างทุกข์รู้ไหมท่านสร้างทุกข์อย่างไรหรือเราไปสืบสาวถึงประวัติของท่านเราก็ไม่รู้เรื่องละเอียดหรอกแต่เราจะต้องเริ่มจากชีวิตของเรานี่แหละเพราะว่าชีวิตเรากับบรรพุรุษไม่ต่างกันในแง่ของโครงสร้างธาสี่ขันห้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีส่วนที่เหมือนกันที่จะสื่อได้ ส่วนที่ต่างกันมันก็มีแต่ในส่วนที่ต่างกันมันก็ไปจากส่วนที่เหมือนกันนี่แหละแต่ด้วยความไม่เข้าใจนะเช่นว่าเราตั้งประเด็นว่าเราเป็นผลของความทุกข์บรรพุุดเป็นไว้ได้อย่างไรนะถ้าเราจะไปบอกว่าท่านมีเวรมีกรรมท่านมีอันนั้นอันนี้มันก็เป็นเรื่องไกลตัวสื่อไม่ได้เราก็ต้องมาเริ่มต้นที่เราเนี่ยสมมติว่าเรา ชีวิตวันของเราถามว่าระหว่างสุขกับทุกข์เนี่ยอันไหนมีมากกว่าอใช่ไหมทุกข์ไหมข้าวทุกทุกไม่ได้เล่นกับเพื่อนทุกไม่ได้เล่นคอมทุกไม่ได้กินขนมหวานทุกไม่ได้เที่ยวทุกไม่ได้เล่นเกมทุกไม่ได้อ่านนิยายทุกไม่ได้ดูทีวีแม่เราพาเรามาทําไมน่าอยู่ที่นี่มาเห็นมีอะไรก็จะคิดไปอย่าง ทีนี้ไอความทุกข์เหล่านี้มันก็จะต้องมันก็สร้างเป็นความคิดใช่ไหมเป็นสร้างเป็นความคิดขึ้นมาทีนี้ความคิดจากหนึ่งมันก็จะแตกตัวเป็นสองสามสี่เพราะความคิดมันตัวออมีบา้าถ้ายิ่งข้ามันก็ยิ่งยิ่งคิดมันก็ยิ่งเกิดแตกแตกตัวไปเรื่อยๆแต่เริ่มต้นมันคืออะไรเริ่มต้นของความคิดก็คือความรู้สึกความรู้สึกมันก็ก่อให้เกิดความคิด ความรู้สึกนี่เหมือนกับซีดเมันกัมเมล็ดเมื่อมันไปตกที่มีเงื่อนไขให้มันแตกตัวมันก็จะแตกตัวถ้าเราเก็บไว้ในหอ่อในหีบในลูกใหญ่ฉางมเมล็ดข้าวมันจะกลายเป็นต้นข้าวไหมไม่เป็นนะใช่ไหมแต่พอมันไปตกใส่พื้นดินถ้าไม่มีน้ํามันก็ไม่เป็นเหมือนกันแต่ว่าดินหแห้งเนะี่ยก็ไม่เปลี่ยปัจจัยหนึ่งต่อหนึ่ง มันก็ไม่สร้างแต่พอมันหนึ่งบวกหนึ่งถ้ามันมีสองมีสามมีสีเข้ามาสมมติมีน้ําเข้ามาบวกแล้วใช่ไหมบางทีก็ไม่เกิดต้องมีอะไรด้วยมีอากาศอ่าาถ้าเราข้าวกับน้ําเเม็ดข้าวกับดินแห้งก็ไม่เกิดพอดินแห้งไปเจอน้ําแต่ไม่มีอากาศก็ไม่เกิด ถ้มีอากาศไม่มีอุณหภูมิไม่พอก็ไม่เกิดใช่ไหมเราจะเห็นองค์ประกอบของมันพราะมันบวกบวกบวกก่อนอย่างนี้ออกมามันก็เริ่มแตกตัวชีวิตเราก็เหมือนกันความรู้สึกเนี่ยเหมือนมเมล็ดมเมล็ดพันความรู้สึกตัวที่เราสัมผัสได้นะและความรู้สึกทุกครั้งเวลาพูดถึงความรู้สึกให้เราคิดเสมอว่ามันมีสองอย่างหนึ่งความรู้สึกที่เป็นเวทนาสองเป็นความรู้สึกตัวต่างกัน แต่คนส่วนใหญ่จะเข้ามาพูดถึงความรู้สึกก็คือความรู้สึกที่เป็นเวทนาใช่อ่าความรู้สึกที่สบายไม่สบายความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกขัดย่ออะไรนี่เป็นเวทนาหมดไม่ใช่ทีนี้ความรู้สึกอะไนที่มันเป็นความรู้สึกตัวที่เรียกว่าสติความรู้สึกรู้ว่าเรากําลังสบายหรือไม่สบายแต่เราคิดว่าเราสบายนุ่สบายอันนี้ก็ไม่ใช่ความรู้สึกล้ มันเลยไปละถ้ารู้เฮ้แล้วก็ดูว่าความสบายไม่สบายเห็นอาการความสบายเห็นอาการความไม่สบายตัวนี้แหละมันเริ่มเป็นสติขึ้นมาถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นเราก็จะไปเป็นความรู้สึกนั้นเช่นเรานั่งนานๆนนรู้สึกไม่สบายถ้าเราไม่เห็นมันมันก็จะสร้างตัวอะไรขึ้นมาสร้างตัวความไม่พอใจใช่ไหม ความไม่พอใจที่ไหนนี้อะนี้เราไม่ได้สังเกตมันไอ้ความไม่พอใจมัจะพัฒนามาตัวมาเป็นอะไรความงุนงงลำคาญความเบื่อหน่ายความไม่สนุกเราพอสะสงนานเข้าหน้าเข้ามันก็จะเพาะเชื้อเป็นตัวอะไรความขุ่นโัวความคิดความเศร้าหมองแล้วก็ยังไม่แก้ไขอีกแล้วพัฒนาตัวเป็นอะไรเป็นความโกรธ ความหมุดหมีดแรงขึ้นเรื่อยๆนะนี่ไอการพัฒนาตัวของของทุกข์ทีไรนี้ที่เนี่ยเราไม่เห็นมันไงเหมือนกับเมล็ดทิ่มไปลงดินแล้ววันหนึ่งมันก็ยังไม่งอกใช่ไหมสองวันก็ยังไม่งอกวันที่สามรุ่มวันที่สี่รุ่มวันที่ห้ากเจ็ดไปมันก็ริ่มหมดไปเพราะฉะนั้นไอการพัฒนาการของธรรมชาติมันก็จะเป็นแต่เนื่องจากธรรมชาติอันนั้นคือเป็นธรรมชาติที่นอกตัวเรา พออาศัยมันก็อาศัยสังขารนั้นนั้นได้อยู่ได้กินได้อะไรต่างก็เพราะอาศัยธรรมชาติอันนั้นทีนี้ในตัวของคนเราเนี่ยมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่ที่มันเหนือกว่าสัตว์และเหนือกว่าพืชทั้งหลายมันเป็นสปีซี่ที่พิเศษออกมาตรงที่ว่าในตัวรู้สึกการพัฒนาเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เวทนา ที่อาศัยเงื่อนไขาทางรูปอย่างเดียวแต่มันมีอีกตัวหนึ่งที่ความรู้สึกที่ติดมาที่พุทธิย่าคนพบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าพุทธภาวะอ่าเราจรึงเรียกว่าพุทธเจ้าแต่ความจริงเดิมท่านไม่ได้ชื่อว่าพุทธิย่านเะชื่ออะไรเชื่ออะไรจำไม่ไดนะ้เขาเด็กสมัยนี้ไม่ได้เรียนพุทธประวัติไม่ได้เรียนพุทธวัตรเรียกว่าเจ้าชายชิตถะเยอะอ่า ท่านก็ทุกมาอย่างเงี้ยถ่าก็หาทางออกไม่เจอไว้ทําไมมันถึงทุกทําไมถึงไม่พอใจทําไมไมันถึงโกรธทาไมไมันถึงเครียดทําไมมันถึงรักทําไมไมันถึงชังทําไมมถึงชอบก็ไม่ชอบวนคิดอยู่อย่างเนี้ยหาทางออกไม่เจอนี่ท่านเป็นคนแรกที่คิดถึงปัญหาเหล่านี้ท่านมาได้ยอมจํานนอันนี้เขาเรียกว่าโหที่ปัญญาท่านก็หาได้หาคําตอบหามาหลายพบหลายชาติเหล้วเกิน่ไม่ใช่หามาเฉพาะชาตินี้นะ ชาติต่านั้นที่ท่านหาท่านเคยบวชใช่ไหมพุทธเจ้าเคยบวชเป็นฤาษีเป็นบําเพ็ญเป็นคนดีเป็นพระโพธิสัตว์มาใช่ไหมตามที่เราได้อ่านเรื่องของพระเจ้าสิบชาติพระเจ้าห้าร้อยชาติอะไรเนะี้ยล้วนแต่ท่านได้ค้นหาสิ่งเหล่านี้มาแต่ว่าก็ยังไม่เจ อ, อก็ยังไม่เจอจนกระทั่งมาชาติสุดท้ายเนี่ยก็มามาเจอรวบรัดมา ก็มาเจอก็ป า, ากฏว่าแต่ละชาติที่ท่านเกิดมาเนี่ยไม่ได้มาเป็นเจ้าช า, าบ้านธรรมดาท่านจะเป็นผู้นำมาตลอดวันเก็มีโอกาสได้ได้ศึกษาได้ปัญญาเมื่อม า, าชาติสุดท้ายก็คือชาติของพุทธเจ้าชาติของเจ้าชายกลฐานี่ท่านก็อยู่เป็นของเครือหัาได้แค่สิบสามปียุ่งยุ่งอย่าพึ่งไปให้หม่อ้วทําคนเดียวก็พอ ป้อนให้ทำคนเดียวจะได้ใช้เวลาของเราศึกษาปัญญาทีนี้เราก็มเมล็ดพันธ์อันนี้มันก็นตัวรู้ตัวนี้ยมันก็จะถูกบ่มเพาะด้วยความร้อนนะหมายความว่าถ้ามีน้ํามีมเมล็ดแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีแดดมันก็ไม่เกิดอันนี้เหมือนมเมล็ดพันธุ์ถึงความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันจะเติบโตได้ก็อาศัยความร้อน คมร้อนของอะไรเปความทุกข์นั่นแหละไม่ใช่ความร้อนออกมาอาการนะี่ความร้อนที่มันคิดคิดคิดคิดคิดคดร้อนทําไมมันจึงร้อนน้ำ <c oughs> ตาลองเอาเอ า, เอามือจับแขนตัวเองดิมือแตะแขนตัวเองมือจับแขนตัวเองนะแล้วก็ถูร แ, งถ ร, แงถรงแรงถูแรงแรงกดกดกดถูลงไปกดลงไปถูลงกดแรงแรงแ ดูสีงไง่ไ <Okay. S 1> นอุ่นๆชูไว้เลยๆแต่อุ่นมันจะพัฒนาไปเล ย, <c oughs> okay. ย, ยมันเคยๆร้อนขึ้นยัปที่นี้เราหยุดดีความอุ่นความร้อนยังมีอยู่ไหมหมันมีนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็หายไปใช่ไหมที่นี้ความอุ่นความร้อนมันอยู่ในมือเราหรือมันอยู่ในแขนเรามันถึงเยจะร้อนขึ้นมานะี่ยเขาปัญหาเดียวกับเรื่องระคังเมื่อวานนะ่ะ ใช่ไความร้อนเหลนะ่านั้นมันก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะบอกให้เอามือถูตรงนี้ยความร้อนเหล่านี้มันก็ไม่ได้มีแต่อาศัยการอะไรการกระทําการกระทบการเฉดสีลักษณะเดียวกันรูปต่อรูปมันมากระทบกันบ่อยเข้าแบบเข้ามาันก็จะเกิดความร้อนความร้อนตรงนี้คือความทุกข์แต่ว่าความร้อนที่เกิดขึ้นในใจมันไม่ได้ออกมาเป็นความร้อนแบบทางกายที่เราสัมผัส มันออกมาเป็นความอะไรความคิดความคิดของปุ๋งเขาเรียกว่าไฟคืออะไรความคิดเราจะคิดอยู่สามเรื่องเคยดูแม่วันหนึ่งเราคิดกี่เรื่องคิดอยู่สามเรื่องหนึ่งคิดเรื่องที่เราชอบเราชอบเรื่องไหนเราก็คิดเรื่องนั้นใช่ไหมสองคิดที่เรองเราที่เราไม่ชอบเราไม่ชอบเราก็คิดเหมือนกันนะเช่นแม่พูดอะไรสักคำานึงที่ไม่ถูกหูเราคิดไหม ก็คิดอย่างนี้หรือใครก็ตามที่พูดแล้วเราทำให้เราไม่พอใจแล้วคิดเราก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องไม่พอใจสามคิดเรื่อยเปื่อยอันตัวนี้ก็สําคัญคิดเรื่องพอใจเขาเรียกว่าโลภะคิดเรื่องไม่พอใจเขาเรียกว่าโทสะคิดเรื่องเรื่อยเปืยเขาเรียกว่าโมหะคิดอยู่สามเรื่องแค่นี้เคยสังเกตไหมว่าสามเรื่องแล้วคิดเรื่องไหนมากที่สุดวันวันหนึ่ง ถ้าเป็นเทวดาก็จะคิดเรื่องแรกคือคือเรื่องพอใจคิดหาในเรื่องความสุขถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปก็จะคิดถึงเรื่องไม่พอใจคิดเรื่องหาเรื่องทำอะไรที่มันสนุกสนุ ก, นกแต่มันก็ทุกขนะ์แล้วก็พวกที่เป็นสัมพันสัตว์ทั้งหลายก็จะคิดเรื่องเลื่อยเปื่อยไปยังไม่แน่ว่าจะเป็นเทวดาอินพรมอะไร ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านให้คิดประเภทที่สี่สามเรื่องเนี้ใช่ไหมความโลภความโกรธความหลง ค, คิดเรื่องประเภทที่สี่คือเรื่องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรวม <c oughs> กันสามเรื่องเป็นปเรื่องเดียวเนะให้คิดสามเรื่องนี้เหมือนกันคิดเรื่องไม่โลภ ค, คิดไม่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงให้คิดเรื่องนั้นทีนี้วันหนึ่งเราได้คิดเรื่องนี้ไหม คิดยังไงฉันจะไม่โลกคิดยังไงฉันจะไม่รักคิดยังไงฉันจะไม่ให้มีความชอบอยู่เคยคิดไหมไม่เคยได้คิดนี่คือดังนั้นรวมมาอยู่สองเรื่องเรื่องกุศลกับอกุศลถ้าความโลกวนหลงเขาเรียกว่าอ ะ, อะไรอกุศลถ้าความไม่โลกไม่กวนไม่หลงเราคิดเราเรียกว่ากุศล น, นะคิดอยู่คือสองเรื่องเราตามภาษากรรมฐานั้งเรออภิชาและโทมานัส ความพอใจและความไม่พอใจดัง น, นั้นเองเราจำเป็นต้องศึกษาในสิ่งเหล่านี้เพราะมันมีจริงมันมีจริงในชีวิตของเราทีนี้เราจะทำยังไงถึงจะศึกษาแล้วการศึกษาอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีสอนกันในมหาลัยไม่มีสอนกันที่ไหนแม้ในสำนักกรรมฐานก็ไม่ได้สอนกันตรงๆนะก็ว่าในเรื่องอื่นเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องสร้างบุญบรารมีเรื่อง ทำอ า, าหากินอะไรไปทีนี้ถ้าหากเราศึกษาเรื่องนี้ก็คือเราเริ่มต้นจากความเป็นจริงที่มีอยู่ว่าเราการศึกษาสมมุติเรานั่งมาเนี่ยการที่เราได้เห็นความไม่สบายของกายความไม่สบายของกายนี้แสดงออกมาในรูปไหนรูปของการขยับขยเขยื้อนเคลื่อนไหวรูปของลมหายใจ ถ้าเราไม่หายใจได้ไหมไม่ได้ร่างกายมันเป็นทุกข์ร่างกายก็แก้ไขของมันเองแหละเรารู้ไม่แล้วเรารับรู้หรือไม่เรารู้ก็ตามมันแก้ไขของมันเองขึ้นว่าลูกทุกข์ลูกเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เรามันจะแก้ไขของมันเองเคยเห็นชุนักมันนอนกับพี่เป็นหลายๆชั่วโมงไหมทำไมมันก็แย่ที่ไปเรื่องๆกันนะเพะมันกระทุก้งกันไะต้นไม้ใบย่ามก็ทุ่งหมดแหละแต่คนเราก็เหมือนกัน กระทุกแต่ว่าสัตว์อื่นนอกจากคนปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้ว่าอันนี้คือขอบวนการของทุกขแต่คนไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ขเขาก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละนะ่นดนั้นเรามาปฏิบัตินี้เพื่ออะไรเพื่อจะมาสร้างตัวรู้ตัวนี้แหละตัวรู้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวธรรมจักสุหรือตาธรรมหรือตาธรรม น, นั้นก็ควรจะเปลี่ยนชื่อข้าวเป็นธรรมซะน้องตาธรรม ไม่อยากเอาตาทีพล์เทีนี้เราจะทำทวนรู้ให้นี่มันสว่างได้อย่างไรให้มันรู้ชัดชัดให้มันรู้เร็วเ็วทุกคนมีตัวรู้ตัวนี้อยู่แล้วแต่มันรู้ไม่ชัดมันรู้ไม่เร็วมันรู้ไม่ทันมันก็ไม่ความผูกมันก็เกิดทีนี้เรามาสร้างระบบกรรมฐานขึ้นเพื่อมารู้ให้ชัดมารู้ให้เร็วเมื่อรู้ชัดรู้เร็วเท่าไหร่เราก็จะไปขจัดเหมือนกับเราเอามือถูนี่ ถ้าเราไม่รู้ว่ามันร้อนเราก็ถูไปเรื่อยๆใช่ไหม้อนเรารู้ว่ามันร้อนเราก็หยุดใช่รู้เรืยเท่าไหร่ก็หยุดเท่านั้นความร้อนที่มีอยู่ก็หายเหมือนกันเรามีความคิดมาถูความคิดมากระทบความคิดมาบดต่อจิตของเราเนี่ยเรามองไม่เห็นเหมือนกับมือก็ถูแขนเราใช่ไหมแต่เราก็คิดคิดคิดคิดคิดไอการที่มันคิดคิดอยู่มันก็มันก็ความคิดมันก็ไปบดจิตของเราเลยถูเรื่อย ถูแล้วมันก็เกิดความร้อนออกมาเป็นความอะไรตัวนี้เขาเรียกว่าผัด飒ผัด飒คือการกระทบเราจะเชื่อว่าการถู ก, การกระทบกการบดการอัดการเบียดกันอะไรก็แล้วแต่ละก็เลยวขาชื่อว่าผัดะทําไมมันจึงเกิดเกิดจากอะไรผัด飒เกิดจากอะไรจะ ก, การกระทบของสิ่งสองสิ่งคือตากระทบกับรูปหรือรูปกระทบกับนามก็ได้ หูกระทบกับเสียงทําให้เราคิดกินกระทบจมูกทําให้เราคิดรถกระทบกระลิ้นทําให้เราคิดความเย็นร้อนอ่อนแข็งเค็งตึงมากระทบกายทําให้เราคิดอารมณ์มากระทบจิตทาให้เราคิดนี่ถ้าเอามือถูแขนนะความร้นอนก็ยังมาที่เดียวนะแต่ความเค็งมันมาถึงหกทางมันถูทุกส่วนเลยอะ่ะอย่างนี้เลยอะ่ะนะทางตาจับถูอย่างนี้จับจับนี้ย คอนวิซิ่งจะต่างกันไหมต่างกันต้องทําล็อจับให้แน่ๆนๆด้วยจับให้แน่นแล้วก็หมุนแขนด้วยเธอยังจับไม่แน่นน่ะจับไม่แน่นจับจนมันหมุนไม่ไปเลย <c oughs> ต่างแันไมต่างอันนี้ทั้งร้อนทั้งบีบทั้งคัน่ใช่ไหมอันนี้มันมันร้อนอย่างเดียวมันไม่ได้บีบไม่คันแต่จับอย่างนี้ให้แน่น ANS, แล้วก็หมุนนะมันทั้งร้อนทั้งบีบทั้งคันจิตของเราที่มันทุกข์อย่างนี้ วความคิดมันมาจับก right. cool. ับจิตแล้วช่วมคิดมันก็ดิ้นออกใจมันก็ดิ้นออกไอ้ตรงนี้มันก็ดิ้นออกได้ตัวนี้ก็รัดเขาเรื่อยๆอวิชาตัญหาอุปทานคือตัวนี้มันมาจับวิชาตัญหาอุปทานกรรมแล้วก็ความไม่รู้มันรัดไอ้ตัวนี้ตัวจิตนะสมมต right. ิตัวจิตนะไอ้นี้สมมติวิชาตัญหาอุปทานกรรมมัรัดเขาไอ้ตรงนี้ดินน่ะไอ้ยี่ยิงรัดคนเราดิ้นหาอะไร ที่ของเรานะ่ยดิ้นหาอะไรดิ้นหาความอิสระภาพอิสระภาพเป็นสิ่งสูงสุดและไม่ว่ามันเป็นที่รวมของสุขทุกระดับเรื อ, อิสระภาพใช่ไหมถ้าเราบอกความสุขความสุขชั้นไหนอะ่ะมันไม่จบใช่ไหมเขาบอกอิสระภาพนะ่ยมันจบทุกสุขทุกระดับมาจากอิสระภาพเสรจถ้าหากเราเราดิน้นใครมาคนหนึ่งมาจับแขนเราใช่ไหมเราก็ดิ้นเต็มที่เลยใช่ไหมแต่ตัวนี้มันไม่อยากให้เราเนี้ยมันก็ยิงรััทธิยิงดิ้น เราดิ้นหาเพื่ออะไรให้หลุดออกมาเขาเรียกหลุดอะไรหลุดพ้น <c oughs> ใช่ไหมหลุดพ้นแต่ถ้าหากว่าเราดิ้นอย่างเดียวโดยที่ไม่ไม่แกะตัวนี้ได้มันหลุดไม่ได้ยิ่งดิ้นก็ยิ่งนั่นใช่ไหมอย่างคนทุกวันน่ะมาดิ้นกันอย่างนี้ดิน้นแต่เขาไม่ได้ดิ้นเพื่อการหลุดพ้นอ่ะเขาดิ้นเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อไปสู่หาสิ่งที่สบายกว่าเท่านั้นเองหลุดจากกรรมันนี้เขาไปสู่กรรมใหม่ ือไอการยึดของตัวนี้เขาไปยุดยึดอันหน่อยเขาชึ่อเรียกว่ากรรมดูเพราะมันกรรมเอาไว้อวิชาตันหาประธานกรรมใช่ไหมกํามเอาไว้ไอตัวนีดินดินดินิ น, น, น, น, น, นมันก็จะเป็นอยู่ยางนี้เขาเรียกว่าโลกนะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้มันทําไมมึงมันมันเข้าไปจับอ่นะทําไมเข้าไปจับเป็นสิ่งที่ทํากันมานานแล้วเป็นความเขาเชื่อว่าฉันชาติยานเหมือนปลิงเนี่ย ใช่ไหมเราลงน้ําปั๊บมันทำมันมาจับเราไม่มจับอย่างอื่นนลเป็นชั้นทะเยอยานของมันที่จะเพื่อความอยู่รอดกิเลสมันก็ดิ้นเพื่อการอยู่รอดของมันใช่ไหมจิตมันก็ดิ้นเพื่อการอยู่รอดของมันแต่จิตนี่มันจะดิ้นได้อิสระภาพมันจะต้องมีแรงแรงกว่าแรงกว่าไอ้ตัวนี้ต้องทำให้ตันตตนน ว, ต น, ตต น, น, วตนี้อ่อนกว่าตัวนี้ก็จะหลุดแต่ถ้าตัวนี้แรงกว่าตัวนี้อ่อนกว่าหลุดไหม หลุดไม่ได้ตอนนี้ดินเล็กๆแต่ตอนนี้ก็ดานดินน้อยๆเนี่ยไม่หลุดหรอกต้องดินเต็มสุดเวียงเลยอะ่ะนี่เราดินมาถึงที่นี่ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหทุกข์มากเลยเดินทางรถมาถึงที่นี่ดินไกลมากใช่ไหมโอ้ดินหนักมากเลยมาถึงบนเขาเนี่ยเห็นไหมหนันภูเขามาดูกิลูกกันนู้นนะเนี่ยดินหนักเลยเห็นไหมเห็นความดินของเราเองนี่เขาเลื่อดินอย่างแรงอย่างเงี้ยมันถึงจะมีโอกาสที่จะหลุด อที่นี้เราก็มาพทำมาตัวนี้มันอ่อนทำความอยากมันอ่อนแต่คนทุกวันเราเพิมาพัฒนาตัวนี้จะไม่พัฒนาตัวนี้ใช่ไหมพัฒนาตัวอวิชชาดานาวัานการพัฒนามันให้แข็งแรงขึ้นคืออยากทํำยังไงคือตอบสนองมันนั่นเองนีให้อาหารมันเรื่อยๆอมันไม่รู้เล่นเรื่องไม่รู้ไปเรื่อยๆมันอยากก็อยากตามมันไปเลยมันยึดก็ยึดตามมันไปเลยมันทําก็ทําตามมันไปเลยอันนี้ไปเพิ่มกําลังให้มัน่ะใช่ไหมก็รัดเราดีวันๆหนึ่ง แต่เเคยเพิ่มกาลังให้ตัวนี้บ้างไม้ไมเพิ่มความรู้ไม่เคยได้เพิ่มความรู้สึกตัวไม่เคยได้เพิ่มมากเท่าไหร่นะคือเพิ่มความรู้คือให้ทําตรงข้ามกับอวิชาตันหาประธานกรรมนั่นถือว่าเป็นเพิ่มกําลังให้มันมาเพิ่มเหมเพิ่มกําลังให้กับวิชาเพิ่มกําลังให้การตันหาอะไรตรงข้ามกับตันหาเนี่ยความความเรียกว่าปัญญา ตรงข้ามกับตัณหาเนี่ยอตัณหาความอยากคือความไม่อยากแต่ต้องไปลกุตตระปัญญาด้วยนะตรงข้ามกับตัณหาคือความอยากคือเพิ่มความไม่อยากขึ้นมาอุปทานความยึดใช่ไหมจะเพิ่มความไม่ยึดขึ้นมาความปล่อยวางแล้วก็กรรมก็เพิ่มการที่ไม่ทําตามความอยากไม่ทําตามทั้งสามอย่างนี้เลยก็เรียกอากรรม นะ ก, กรรมถ้าหากว่าเพิ่มถ้าหากว่าทําตามไปสามอย่างนี้เารราาขาเรียกว่าโลกิยกรรมแต่หาไม่ทำตามไปสามอย่างนี้เขาเรียกว่าโลกุตะกรรมกรรมที่อยู่เหนือสามอย่างนี้เราเคยเพิ่มกําลังให้สามอย่างนี้บ้างมหมสี่อย่างนี้บ้างไหมไม่เคยมิจะเพิ่มกําลังให้มันเพิ่มความไม่รู้เพิ่มความอยากเพิ่มความยึดควมกันกระทำที่มันอยู่ในตามทั้งสามอย่างนี้เห็นไหม เรารู้เลยไงว่าเรา่ะออกอิสระจากนี้ที่จะหลุดจะพ้นเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยใช่ดังนั้นเราจะทำอย่างไรก็ต้องมีทางเดียวอ่ะคือต้องมาเพิ่มความรู้อย่างที่เรามานั่งทําเพิ่มความรู้นะความรู้ประเภทไหนความรู้ประเภทที่ไม่ทำตามความคิดแต่ที่เรารู้แ ล, แล้วมาคือรู้ประเภทไหนรู้ที่จะทำตามความอยากอ่ารู้จะทาตามความยึดรู้ที่จะทำตาม ความคิดของตัวเองเรารู้อย่างนั้นใช่ไหมเราจะเรียนระดับปริญญาตรีตัวเอกอะไรก็ตามรู้ก็ อ, อย่าทําตามความคิดแต่ที่เรามาศึกษาวิปัสสนาที่มารู้เพื่อที่จะไม่ทําตามอวิชชาตันหาอวตานกรรมรู้เพื่อที่จะแอนตี้ที่จะไม่ทําตามแต่ทําตามอะไรทําตามวิชาทําตามศีลทําตามสมาธิทําตามปัญญาทําตามสามอยา่าง เพราะนั้นจำเป็นจะต้องแปลไอ้สามสี่ตัวเนี่ยให้มันเป็นศีลสมาธิปัญญาแล้วก็วีมุติท่านเรียกทำสี่ข้อนี้ศีลสมาธิปัญญามีมุตว่าอาริยะธรรมทำที่ทททททไปไกลจากไอ้พวกนี้ทำไปไกลจากวิชาตันหาประธานกรรมอืมอริแปลว่าเพราะอ่าวิชาตันหาปร า, านกรรมมันเป็นอริเกเราอ่ะอริแปลว่าอะไร สตูถ้าเพิ่มยะก็เป็นเป็นอะไรยะไปไกลจากสตูยกตัวนั้นแปลว่าให้ไปไกลไปให้พ้นไปให้ไกลจากมันถ้าหากเราเป็นเพียงอะลิมันก็ทุกเลยไปที่เรามาทํานี้ทําตัวให้มันพ้นไปจากอะลิเขาเรียกอะลิยะอะลิยะบุคคลเคยได้ยินใช่ไหมอะลิยะเจ้าคําเดียวกันะมันพิ่มแค่ตัวเดียวเนาะคนละเรื่องคนละความหมายเลยนะอ่านลังให้กันเลยใช่ไหมอะลิกับอะลิยะเนี่ย ถ้าใ น, นจุดนี้จึงอยากจะให้ศึกษาแลวทำความเข้าใจแล้วเราจะได้ไม่สงสัยไม่ลังเลในสิ่งที่เราทำอันนี้ทำไปจะสงสัยไปมันจะรู้เมื่อไหร่มันจะเห็นเมื่อไหร่มันจะรู้เมื่อไน้มันจะหลุดเมื่อไหร่ทำไปก็สงสัยไปไ ม, มันก็ช้าดิแต่ถ้าทำแบบไม่สงสัยคือรู้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆทำอะไรก็รู้สึกตัวไม่ใช่มารู้สึกตอนที่มานั่งสร้างจังหวะเดินจงงไม่ใช่ใช่ไหมรู้ตั้งแต่ตื่นนอนมาเลย อย่นอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันนี้ใจเป็นไงสบายไหย ม, มีอะไรกังวลไหมเคยเคยสำเวจความรู้สึกตัวเองไหมเมื่ตื่นขึ้นมาวันนี้กูจะไปไหน <laughs> จะกินอะไรกับใครจะเอาอะไรวันนี้ไปที่ไหนคิดไปก่อนแล้วได้ไหมแต่ถ้าผู้ปฏิบัติตื่นขึ้ น, นมา ป, าป้าก็จะมาดูความรู้สึกด้วยใจเป็นไงวันนี้รู้สึกเป็นไงสบายหรือไม่สบายไม่สบายเพราะอะไรความคิดมันคือตกค้างหรือเปล่า ไม่สบายเพราะย้อนไปนึกถึงเหตุการณ์เมื่อวานที่เขาว่าเราหรือเปล่าไม่สบายเพราะว่าเรากลับไปนี่จะต้องไปจ่ายบินไม่มีเงินใจ่ายบินหรือไม่มีเงินจ่ายงวดวันหรือเปล่าเราจะเอาเงไหนมาจ่ายงวดคิดขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหเข้ากลับไปนี่อีกสามสี่วันนัดเจ้านี่มาเจอไม่รู้จะเอาไหนมปจ่ายพอหรือเปล่าเนี่ยมันพอตื่นขึ้นมาคิดแต่เรื่องนี้อย่าใจก็เศร้าหมองทันทีเพราะเราไม่ทันมันเพราะนั้นตื่นขึ้นมาปั๊บสํารวจเลยสำรวจใจของเรา เห็นแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาแล้วก็มาทําเพราะฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาหลวงพ่อจะให้ทํากิจกรรมความรู้สึกตัวปลุกตัวให้ตื่นด้วยการเอ็กซ์ไซส์เองอารเอ็กซ์ไซ์มันจะปลุกได้เยอะถ้าเรามานั่งสร้างจางหวะงงเงางามบกึศืดเสือไม่ไม่ตื่นตัวใช่ไหมแต่กิจกรรมของการตื่นตัวเราก็ได้ประโยชน์สองอย่างที่ได้ประโยชน์จากอะไรนะ ได้ประโยชน์ทางกายได้กำลังใจไม่อ้วนมาชันคนเดียวทำไมมาเยอะเลยนะเอามานิดเดียวก็พอตนะ้องศึกษาความพอดีนิดหน่อยพระอ้นหลวงพ่อไล่ันแล้วนะเราขี้เกียจปฏิบัติอยู่หลวงพ่อไม่ไดนะ้ก็อยากจะให้ลำดับความรู้สึก อย่างนี้นะตั้งแต่ตื่นเช้ามานะแล้วก็ทําอะไรยังมีความสุขเป็นอิสระอย่าไปคิดหน้าคิดหลังวันนี้เราจะไปไหนไปทําอะไรแต่คนไทยเราถูกครอบงําอย่างนี้มานานเพราะเราเคยมีผู้บังคับบัญชามีเจ้ามีนายมีพ่อมีแม่เป็นลําดับชั้นลงมาที่เราทํานี้เขาจะว่าอย่างไงทํานี้ปนั้นจะว่ามันก็เลยมีอย่างนี้ครอบครอบจิตของเราตลอดเพราะฉะนั้นเรารู้สึกไม่อิสระเพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติมาอยู่อย่างนี้เราพ่อต้องการให้เป็นอิสระ มันต้องมีระเบียบวินัยอะไรถ้าหากคนที่ไม่จริงใจมาอยู่ด้วยกันนะมันมีปัญหาแล้วมันมีระเบียบวินัยระเบียบวินัยสั่นหลอกคนนี้มันคนอื่นก็เดือดร้อนไปด้วยใช่ไหมแล้วมันแย่ขึ้นกําหนดขึ้นเพื่อบังข้าคนนี้แต่คนอื่นก็ต้องทาตามด้วยจึงอันนี้ส่วนหนึ่งที่พ่อผ่านการทําสํานักผ่านระเบียบวินัยมาเยอะแต่เห็นอุปสรรคว่าถ้าเอาคนที่ไม่ตั้งใจมาจริงใจมาอยู่ด้วยระเบียบมันเกิดเยอะแต่คนที่เขาดีเขาก็พอเดือดร้อนไปด้วย เดี๋ยวรอดได้คนที่ไม่สร้างระเบียบ น, นั่นแหลยใช่ไหมแต่คนที่ที่มีความตั้งใจจะรู้สิ่งนี้ด้วยกันเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปสร้างปัญหาอะไรมันก็ไม่ต้องเกิดระเบียบสมัยครั้งพุทธการต้นๆพุทธการมีคนบรรลุ ธ, ธรรมเยอะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเอาแค่สองเรื่องเรื่องพระธรรมวินะัยแค่นั้นคือเรื่องการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์เท่านั้นตอนหลังๆมาระเบียบวินัยเริ่มเกิขึ้นเลยเพราะคน คนมาจากพันธิศาสนาอื่นไม่รู้ไม่เข้าใจก็ามาสร้างปัญหาเพราะสร้างปัญหาระเบียบ ว, วินัยก็เริ่มเกิดพอาะระเบียบ ว, วินัยเกิดมันก็ทําให้การบรรลุธรรมน้อยลงอ น, นี้ก็จําเป็นต้องมีคนหมูงมากเนาะทีนี้เพื่อว่าอยากจะคือทำอย่างนั้นมานานแล้วมันเสียเวลาเยอะเลยนะก็จากนี้ไปอยากจะทําทแต่เอาเฉพาะคนที่สนใจตั้งใจปฏิบัติมามาปฏิบัติร่วมกันแล้วก็ทําไปแต่คนที่มไม่ตั้งใจก็ ยังไม่ถึงเวลาของคุณคุณไปทำบาท้าสร้างบารมีทั้งอื่นมาก่อนก็ไล้กันแต่ถ้าไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เลยหลวงพก็สบายจะได้อยู่คนเดียวหลวงพก็ <c oughs> สบายคือสบายทั้งขึ้นทั้งลงคือถ้ากว่ามีผู้สนใจปฏิบัติก็ อ, อย่าให้คนที่ตั้งใจมาอยู่ด้วยกันเพราะจะต้องไม่สร้างระเบียบวิ น, นัยแต่ถ้าหากว่าไม่มีคนอย่างนั้นหลวงพก็สบายอีกแบบหนึงคือไปคนเดียวเห็นไหมอันนี้คือทํารักษาเรา ทํารักษาแล้วดังนั้นในช่วงที่หลวงพ่อมาพักที่นี่ก็ก็ทํานี้มาเพราะว่าทําอยู่ที่ไหนก็ทำอย่างนี้อยู่ที่อเมริกาตลอดหกเดือนนะก็ทำอย่างนี้คนก็ได้ประโยชน์ด้วยแต่อเมริกานี่มันยากเ อ, อย่างมันมันเลือกคนไม่ได้คนที่มาตามอยากจะมาเขาว่าปฏิบัติดีก็อยากจะมากับเขามาแล้วพอมาเจอแบบนี้ก็รับไม่ได้ก็อเราต้องออกระเบียบอนุ น, นันนี้จะไล่เขากลับก็บกดูกระไรอยู่ จะไม่ไ่เขาก็ยังทําตามไม่ได้มันก็เลยต้องทําให้ลําบากแต่คนไทยเราเลือกได้วงไทยเรามีพื้นฐานอย่างนี้มาหลายพันปีนะเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการที่มาอย่างนี้นก็มีอ่าถึงไม่มากแต่ก็ยังดีนะเป็นการต่อยอดให้ไปเลยทัง น, นั้นในช่วงกลางวันเนี่ยหลวงพ่อไม่ต้องจําเป็นยัต้องไปสอบปรถามเรื่องอารมณ์อะไรทำไปผิดบางถูกบ้างก็ทําไปแต่ถ้าเช้าเย็นก็มาม า, มานั่งคุยกันแล้วก็ไปแก้ไข แล้วตองกลางวันก็ไปทําดูก็มีทุกอย่างมันมานั่นแหละความเบื่อความขี้เกียจความม่วงงเอาเข้านอนความไม่สนุกสนานความอะไรก็มาของมันจะให้เรารู้รู้จากมันเท่านั้นเองรู้มันบ่อยๆไม่ใช่รู้วันเดียวมันจบรู้บ่อยๆก็แล้วแต่ปัญญาบารมีขงแต่ละคนนะคนไหนที่มีปัญญาบารมีดีก็อาจดูไม่นานอาจจะทะลุไปเลยเข้าใจไปหมดแต่คนไหนปัญญาบารมียังอ่อนอยู่รู้เรื่องนี้อ่อนยังขาดเรื่องนั้นรู้เรื่องนั้นก็จะขาดเรื่องมันมองไม่ทะลุ ก็ต้องรู้บ่อยๆเอาเดินไปทีละก้าวเหมือนกับคนเดินทางคนที่ไม่มีเงินก็ต้องเดินไปเรืเ่อยๆจะไปกรุงเทพมั่ยนะแต่คนมีเงินเป็นไงไปไวขึ้นไวแล้วดับไหนไวรถพลิกอัพไวรถพอร์ติสไทร์ไวรถไฟไวรถวัดไวรถเกง๋งไวเครื่องบินเอาไวแล้วดับไหนแล้วแต่ค่าตัวที่เรามีอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีเงินเลยทำไง S <S เดินเอาก็ถึงเหมือนกันนะแต่โอ้หนักเหนื่อยเลยือยขึ้นที่นี่เรามีเงินเท่าไหร่เงินตรง น, นี้เขาเรียกปัญญาบารามีหรือว่าศาสนาบารามีเรามีเท่าไหร่แต่ถ้าโอ ไ, ไ, ไม่ไหวบงทีพาน้ำไม่ไปก็ได้แต่คุณจะไม่ถึงมุเทพคิดว่ากรุเทพเป็นจุดที่ปลอดภัยเงี้นะคิดว่านะเหมือนกันอันนี้เหมือนกันคุณจะไม่ไปดิพานก็ได้แต่คุณก็ต้องทุกอย่อย่างเงี้ยตลอดพบชาติกลับกันแต่ถ้าคุณเริ่มเดินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะพ้นจากทุกอย่างนี้ มีบางคนก็เริ่มเดินบางคนไปเหอะฉันยังไม่พร้อมที่จะไปก็ก็ได้คุณก็ทุกอย่างเงี้ยไงถ้าคุณยังมาลองอยังมายุ่งกับฉันก็แล้วกันคุณก็ทุ่มหุ้นไปเพราะนั้นเราไม่ต้องห่วงคนอื่นหนาะคนนั้นจะเป็นแต่ละคนมีทางของตัวเองนะแต่ว่าของเรานี่มันชินมานานเนาะห่วงหาอะไรกันติดยิดกันนะขาดกันไม่ได้ก็เลยทําให้เป็นภาระไงนะมันเราจะเดินทาง ไกลเนี่ยถ้ แ, แบกพาล่าไปสักชิ้นสองชิ้นหนักๆเนี่ยมันจะไวขึ้นไหมหนักใช่ไหมแค่แม่น้องตาแบกน้องตาก็หนักอยู่แล้วนะมาแบกน้องข้าวอีกคนหนึ่งก็ยิงช้าเข้าไปแยะเพราะนั้นน้องน้องเจ้น้องข้าวก็ต้องสูงสารแม่จะให้พี่แม่แบกเรานะี่ยแล้วก็ห่า ง, างแม่หนะ่อยแม่จะมาแบกหนูเลยหนูเดินท้องหนูเองได้ใช่ไหม อันนี้คือตัวอย่างนะไม่ได้ว่ากันนะตัวอย่างคือหมายความว่าการเดินทางของเรายิ่งมีภาระเยอะก็ยิ่งเดินทางช้าเดินทางก็ไม่ได้ยคือการหวงหาอะไรกันนั่นแหละแต่ถ้าเราจะเดินด้วยกันโดยที่ไม่ต้องแบกเขจะดีเป็นกําลังใจของกันเลยกันคือหมายความว่าช่วยกันเป็นอิสระแก่กันเลยกันไม่ไม่ให้ทําให้แม่จังวิตรกรมบุญกับเราแล้วก็เดินปฏิบัติของเราแต่ถ้าหากว่าน้องข้าไม่ปฏิบัติแม่ก็ชัก เลาตายใส่แล้วนะี่เอ๊ไมไม่ปฏิบัติเทปไปทําอะไรอยู่อันนี้ก็เรว่างช่างพาลากันแล้วใช่ไหมแม่ก็แบกและแต่เห็นมองเห็นที่ไรเห็นน้องข้าวนั่งสร้างจว่าเดินจูงโงมแม่ก็ไม่แบกและแม่ก็หายห่วงไหวไหมที่จะมาให้แม่แบกจะแบกตัวเอง ไ, วไหว้เออนี่เห็นนะก็ต้องไปดูที่ไรเห็นแต่น้องข้าวเดินจูโงโงมสร้างจังหวนั่งที่มือเล่นเบื่อก็นั่งที่มือเล่นเล่น แม่เห็นได้ยังปฏิบัติอยู่ก็ไม่แบกกันนะแม่เห็นทีไรเลยนั่งเล่นนั่งคุยนอนหลับแบกหนักเลยที่นี้เอ๊จนะ่จะทำยังไงนะจะทําไงเอาลูปมาแล้วไมไ่อยากให้เสียเวลาอยากให้น้องข้าได้ปฏิบัติแบกแบกแบกแบกความคิดอลยนะเอว่าจริงไหมจริงนะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้หลวพ่อว่าอยากจะให้ให้แต่ละคนเป็นอิสระแต่อิสระใ น, นที่ไม่ใช่ทําอะไรตามใจนะ อิสระแบบรู้สึกตัวทำอะไรก็ให้รู้สึกตั ว, ดตวเดินไปก็ไม่จําเป็นต้องทังสร้างจังหวะทา้งเงดินจนปุ่มบางก็ไม่ใช่เป็นต้องเดินทาง น, านั้นสร้างจังหวะบางสร้างจังหวะนานก็พลิกมือเล่นบางคือเดินหน้าถอยหลังเดินเล่นน่ะสร้างจังยวะทำเล่นๆทาให้รู้สึกตัวเท่านั้นเองไม่ได้ทาอย่างครื่องเครียดกลางวันมันร้อนก็รู้จักเล่นกับความร้อนบ้างความร้อนกับเราก็อยามให้เป็นอันเดียวกัน เราอยู่ในร่มเรายังบ่นว่าร้อนคือเห็นควควายมันตากแหลนตากท้งวันมันเคยบ่นว่ามันร้อนเพราะมันเป็นอันเดียวกับความร้อนความร้อนก็คือชื่อหเห็นปลายน้ำมันบ่นว่าหนาวไหมมันเป็นอันเดียวกับความเย็นน้ําแข็งมันก็อยู่ได้ใช่ไหมแต่เราร้อนนิดแล้วหน่อยเราก็จะหนีเพราะว่าเราไม่เป็นอันเดียวกับมันแต่ถ้าหากว่าเราเป็นอันเดียวกับความร้อนเราก็ร้อนอย่างมีความสุขถ้าเราเป็นอันเดียวกับความเย็นเราก็เย็นอย่างมีความสุข ร่างกายเราเข้มแข็งเลยถ้าเราหนีก็ยิ่งทุกขนะ์ในร่างกายปรับตัวไม่ทันเวลามันร้อนขึ้นมาก็จะวิ่งไปหาแต่พัดลมพัแอร์ใช่ไหมเวลาออกมาอยู่ข้างนอกนานๆเขาไม่สบายเลยเพราะร่างกายัไม่เป็นอันเดียวกับมันมันเป็นศัตรูกับเขามันก็เบียดเบียนเราดิแต่เราร้อนก็สู้หนาวก็สู้เดี๋ยวร่างกายเขาปรับตัวเขาเป็นอันเดียวกันเดี๋ยวก็ร่างกายเราเข้มแข็งหนาก็ได้ร้อนก็ได้เรียนสบายอยู่เพราะปรับตัวเป็นอันเดียวกันล้เป็นมิตรกันนะเราต้องทําตัวให้เป็นมิตรกับความร้อน ต, ตัวเป็นมิตรกับความเย็นทำตัวเป็นมิตรกับสิ่งที่ไม่สบายเป็น ต, ตัวเป็นมิตรกับทุกนันเองทุกมันเป็นมิติดีนะแต่ทุกวันนี้เราประกาศเป็นตัวเปไน็นอะไรกับมัน <S <S เป็นสตูกับมันวิ่งหนีมันอย่างเนี้ร้อนกูเชอวิ่งไปหาว่านลมหากูเชวิ่งไปหาผ้าหม่มหาไอแต่ว่าก็ดูลิ ม, มิตของเราไม่ใช่ร้อนเกินจนร่างกายมันรับไม่ใช่ปล่อยให้ร่างกายหนาวเกินจนรับไม่ได้มันก็ไกล พอมันรับได้นะอันนี้ก็ให้มันเป็นอันเดียวกันแล้วก็เราค่อยจร้อนมีความสุขให้ร้อนแต่กายร่้งแต่กายมันไม่ร้อนนะมันวัวควายมันตากแดดทั้งปีทั้งชาติเพรามัเห็นมันตายพราะมันเป็นอันเดียวกันเดียวแต่มนุษย์เพรามนุษย์ที่กลัวไงก็หนีหนีหนนีหนียิ่งหนีก็ยิ่งเจอมนุษย์ก็ยิ่งทุกข์เห็นพระธุดงค์ท่านเดินตากแดดทั้งวันเป็นเราเป็นทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันแวบขึ้นมา จะให้มันไม่เป็นก็ไม่ได้จะให้มันไม่คิดก็ไม่ได้แต่สิ่งที่คิดสิ่งที่รู้สิ่งที่เป็นนั่นก็เป็นจิตนะจิตเราก็มีสติปัญญารละลึกรู้ว่าจิตก็เป็นจิต